เราเห็นเขน่ากลัวจริงๆแก่นี่ะแต่ว่าแก่นี้ยมันมองไม่เห็นนะคือมันค่อยลากไปทีละน้อยทละน้อยอย่างนั้นเถอะทีมเราจะดูดีมีสุขขนาดไหนนั่งคุยกันอยู่นี่ก็เถอะเอีมันก็แกไปอยู่ตลอดเย่างนั้นนะนไปพูดคุณแม่โอ้ยคุณแม่อาตมาเนีกลัวจริงๆกลัวความแก่เนียว่ะ พอเห็นคุณแม่โอน่ากลัวมากกลัวความแก่จะทํายังไงบ้าคุณแม่ก็ได้ตอบว่าถ้ากลัวความแก่ก็ตายซะโอ้ถ้ากลัวความแก่ก็ตายซะเลยใช่ถ้าตายแล้วก็ไม่แก่ใช่ไหมเออใช่คุณแม่ตอบสั้นๆจะถูกต้องว่าทําไม่ตายทำาไนีมันก็ต้องแก่ใช่ไหมถ้าไม่ตายก็ต้องแก่ถ้าไม่อยากจะแก่ก็ตายซะเออใช่ เดี๋ยนี้กำลังเจดีเจดีทิ้งแล้วเสร็จก็ยังไม่เสร็จคือปีนี้ก็ไปทําถนนรอบอีกรอบหนึ่งแต่ทําไม่จริงถนนถนนรอบเจดีมันก็เสร็จ แ, แต่ละคร่าวฉองนั่นแหลต่ี่ิมสายด้านหนึ่งเน่ยมันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรกลัวเด็กจะวิ่งโดดจุลงไปเพราะงั้นเป็นในสระน้ํามันมันจะเป็นอันตรายกับเด็กเพราะว่า สระน้ำนะมันมั น, ม, น, ม, นมันปูด้วยด้วยกระสติก๊กขนาดไมาจะขึ้นไม่ได้เลยถ้าตกลงไปแล้วหมาแดงวันลอยแล้วมันกว่าทะเรมันก็มนไม่ติดฟุงไม่จะติดก็เลยให้เขาทำถนอนอีกรอบๆ อ, อีกเลยปลูกจนไม้รอบๆร อ, อบห น, น่อยเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็คือปีนี้ทำํำถนนกับทําห้องน้ําห้องน้ํา 6ห้องมนะั้งข้างเจดียไม่ใช่ข้างทางหางเรเจดียทางเข้าจําหัดที่น้องประชาชนไปกัดเจดีก็ได้ใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วในห้องน้ำแจ่ถนนถนนที่ยังไม่เสร็จแล้วก็เข้าไปข้างไหนข้างไในกิ่ดีชั้นล่างหลวงพ่ออยากจะทําเป็นแผ่นศีลาจารึกหรือว่าเป็นแผ่นหินแกรนิต เรยว่าเป็นแผ่นจดเต็ดเล็มสําหรับคนเข้าไปได้ศึกษาอ่านชีว่าประวัติของคุณแม่เป็นอย่างไรอย่างนี้นะพ่อทําเกิดทำที่คุณแม่นะโลกนี้โลกหาได้อย่างนี้นะใครๆก็ใครก็อ่านแต่พร้อมกันมารู้พ่อให้ท่านอาจารย์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยในแผ่นเดียวกันไอ้ ก, กำําลัง กำลังดูกันอยูก่กำลังร่างกันอยู่จะ่าไปติดชั้นล่างอันนี้ก็คือเจดียังไม่เสร็จแต่ที่แรกกคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน่ะคิดว่าจะนนชั้นล่างที่ว่าจะทงเป็นธรรมเป็นเป็นลักษณะแผ่นชิลาจระลึกลักษณะติดฝาผนามติดฝาผนามข้างในเจดีอันนี้กําลังคิดว่าวันนี่แหละกันตัดกำลังมัดช่างจะไปดููถ้าทำสองอย่างไม่จบหลวงพ่อก็คงหยั แปลว่าจบลงอันดับที่ดีของคุณแม่คือแผ่นชิร้ายจะเล็กกับถนนเข้าไปสองอย่างถนนเข้าไปเนี่ยเป็นถนนลูกลาราอยู่มมันก็ไม่มากถ้ามันมากหลวงพ่อก็ไม่ทำํำถนนอันนี้มันร้อยกว่าเมตรทเองร้อยกว่าเมตรมันอาจจะทําได้เหตนั้นแต่มันทำสองข้างสรุปแล้วเคือประมาณสรุปแล้วประมาณสามร้อยสามร้อยเมตรทั้งสองข้างเพราตรงกลางเป็นจิตเป็นวัดของคุณแม่ เลทําสังจองข้างม า, าเจดีย์เนอันนี้ก็กําลัง น, นั่นกันอยู่กําลังคิดๆกันอยู่เจดีของผู้หญิงเจดีของอุบาสิกาอนะยังไม่เคยมีนะใจขนาดนี้หลวงพ่อไม่ยังไม่เคยเห็นว่านั้นเลยที่ว่าเจดีที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นเจดีอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันแต่เจดีผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้สำเร็จมรกผลยังไม่เคยมีเจดีไหนใหญ่เหมือนเจดีของคุณแม่เจดี JD คุณแม่นี่เป็นเจดีที่ให้ความสำคัญฝ่ายครูบาศิษาฝ่ายโยมผู้หญิงอย่างมากเพราะว่าก่อนที่ท่านจะล่วงรับดับขันอย่างครูบาอาจากยขอรับรองว่าท่านปฏิบัติดีนะเพราอได้ศึกษาแล้ว่าได้พูด ความในใจให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าดิ์โฆวณาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น่านันก็ไปที่ยอมรับว่าอืออันนี้คือจุดจบของผมมาจั์จากนั้นเมื่อท่านรวมรับไปอธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุได้เห็นเหมือนกับของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เลยมาพิจารณากับคณะกรรมการทั้งหลายเลยควรจะ ทำใจดีขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยกย่องเชิดชูฝ่ายอุบาสิกามรรคผลนิพพานไม่ใช่แต่มีเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะพระเถระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นอุบาสิกานุ่งขาวผมขาวเรียกว่าผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ รักษาสนลโมโสดตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติมักผลนิพผ่านก็รอคอยพวกเราอยู่เหมือนกับในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลก็คือภิกษุณีนางโคตมีเป็นต้นตระกูลของภิกษุณีจากนั้นก็มีภิกษุณีตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นเป็นเั้นแสนๆ่ั้นอันนั้นก็คือในครั้งพุทธเจ ในครั้งพุทธกาลแต่มาถึงครั้งนี้ทางว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังเดินตามแนวแถวนั้นอยู่มรคนิพพานก็ยังคงเช่นคงวา่ายังคอยพวกเราอยู่เพราะนั้นจึงได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝ่ายผู้หญิงเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้หาทุนแล้วก็ได้สร้างบี B. ดีดีมากๆงั้นเอดี่นี่จะว่าให้มั่นคงเท้าบอที่สุดแต่องค์หลวงตาท่านก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมหลายครั้งท่านไปตามลำพังท่านขับรถแวบไปไปที่ไรท่านก็ไปช่วยสงเคราะห์แม่ชีนะั่นะแม่ชีอยู่ในนั้นเพราะแม่ชีอยู่ในนั้นฝ่ายอุบาสิกาทั้งหมดเกือบยี่สิบนเดียวนะอยู่ในวัดนั้น เดินลงตาทั้งไปทั้งก็ถามเอาชูเจ้าอยู่ยังไงกินยังไงใช่ยังไงแหมพวกไม่ชี้เขากลับเลยนะท่านท่านเอาส่งข้อไปเอา จ, จิตตุปัจัยมอบไปข่าน้ําข่าวไฟข้าวของอาหารลงตาไปที่ไหนไม่จะไปส่งข้อว่างนั้นไปหลายครั้งแล้วฟังฟังพวกไม่ชี้เขาปุ๊บเอก็ดีอันนี้มาพูดถึงเรื่องคุณแม่คุณพ่อหลวงพ่อจะแจกหนังสือ แต่ว่าผู้ที่ได้ MP3 ของหลวงพ่อนะแผ่นที่สามหลวงพ่อพูดเรื่องเจดีมากมากๆเลยวันนั้นแต่พูดถึงเจดีของคุณแม่นมากๆเลยเพราะก่อนที่จะมี MP3 แผ่นที่สามแล้วก็พอหลวงพ่อสร้างเจดียแผ่นที่หนึ่งนักศึกษาแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็อบรมนักศึกษาแพทย์มหิดลปี4ีแปด ก็แผ่นที่สองมามีพระมาจากมัณฑะปนวกะเขาก็ขออัดเป็นแผ่นที่สองก็แผ่นที่สามบพ่อที่ว่าจะไม่ออกข่าวค้าดวนแล้วแต่นี้พอมาสร้างเจดีย์ถ้าสร้างเจดีย์จบลงไปแล้วไม่มีการพูดไม่มีการกล่าวไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมให้รับรู้รับทราบเจดีย์ของคุณแม่พระคมะโ ด, ดูเดชอยู่กลางท้องนายอย่างนั้นแหะ ไม่มีความหมายทำไมอาจารย์อินทำไมจึงสร้างเกดีสร้างเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรทำไมสร้างเกดีให้แม่ชีแ ก, แก่แล้วก็คำว่าแม่ชีคำนี้แหละแม่ชีแก่นะแม่ชีก็ทำให้ภาพลบของตอนเองมามากต่อมาก่ังกันแต่โดยไโดยมากแม่ชีไปหาขอบังตามตลาดมั่ง ไปหาเลีอะไรบ้างอันนี้คือเราเคยเห็นเพราะนั้นภาพลบจุดนี้นะอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นที่แม่ชีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างคุณแม่ชีแก้วท่านไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่เมต่ท่านตั้งอกตั้งใจภาปฏิบัติอยู่กับวัดจะออกนอกวัดอยนี้ท่านก็ไม่ให้ออกเพราะนั้นให้ดูประวัติทั้งด้านหลังของท่านท่านสอน ทบสอนไม่ชีท่านสอนยังไงท่านก็สอนแบบสอนแบบผู้หญิงสอนผู้หญิงเหมือนกันนะให้กดระเบียบทำยังไงยังไงยังไงก็มีทางด้านหลังหนังสือที่เป็นคำบอกเล่า ท, ที่พีท่านสอนเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยได้อัดเอ3พสาพูดเกี่ยวกับเจดีของคุณแม่ต่างกรรมต่างวาระ ให้แก่พี่น้องประชาชนญาติโยมได้ฟังว่าทําำมจริงสร้างเจดีย์อันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรทําำมาแต่บางคนก็บอกว่าในเมื่อท่านอาจารย์ไปสร้างเจดีย์จุดนั้นแล้วท่านอาจารย์คิดว่าจะมีใครไปดูแลรักษาถ้าอาจารย์ได้คิดไว้มากว่าการดูแลบำรุงรักษานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากถ้าท่านไปสร้างแล้วใครจะไปดูไปดูแ ล, แลรักษาเจดีย์ของคุณแม่ ที่ขึ้นมาจากที่นั่นมีแต่พวกไม่ชี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอันนี้มันเรื่องอันนี้จงในเมื่อสร้างขึ้นมาคือสร้างขึ้นมาถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าทั้งว่าลูกหลานทั้งหลายในอนาคตเขาไม่เห็นคุณค่าของเจดีย์เขาไม่รู้คุณค่าของเจดีย์เขาจะทำลายทิ้งกระสุดแทบแต่เขาในเมื่อเราทำขึ้นมาแล้วเราก็รักษา เท่ที่เราจะรักษาได้เรารักษาดีที่สุดขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราก็รักษาถ้ามันแตกพังยังไงแล้วก็ช่องแสมบำรุงรักษาเพราะเราสร้างขึ้นมาแล้วแ ต, แต่ถ้าว่าเราตายไปแล้วหลวงพ่ออินตายไปแล้วลูกหลา น, ไ ม, นไม่เห็นความสำคัญก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าตัวเองตายแล้วขนาดกระดูกตัวเองร่างกายตัวเองก็ยังรักษาไว้มไม้ไม่อยู่ แจะไปรักษาเจดีย์ยังไงได้ฉะ น, นั้นก็ต้องปล่อยเป็ น, นขดอเนจรรังข่าก็ตายเหมือนกันเจดีย์ก็ตายเหมือนกันเนี่ยก็บอกที่ัหนแหม อ, <are? S 2> อก็ต้องบอกอย่างนั้นเหมือนกันเลจะทํำยังไงได้ถ้าว่าเขาเห็นคุณค่าของเจดียเขาเ ก, ก็บำรุงตนุบำรุงรักษากราบไหว้สักการะบูชาเพราะไม่ใช่แต่บรรจุอธิษฐานหรือว่าลูกเหมือนคุณแม่เท่านั้นบนยอดเจดีสูงสุด บรรจุพ่อพระโรมสารีฤกษธาตุธาตุพระอระหรันตธาตุพ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆฤกษเกสาผู้ที่ท่านได้สาเร็จมรรคผลในยุค ป, ปัจจุบันท้ายจะว่าไปแล้วก็คือสายหลวงปู่มั่นเกือบ ท, ทุกองอยู่บนยอดเจดีนั้นถ้าว่าใครก็ตามไปกล่าวเพื่อให้กลาวไปลึกถึง รพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พระบรมสาหรีลิกธาตุหรือพระธาตุพระอรหันต์บนจอดเจดีย์จากนั้นก็กราบรูปคุณคุณแม่ด้วยลูกคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างล่างจากนั้นหลวงพ่อก็เลยมีเขียงกติธรรมเพื่อเตือนใจสําหรับสาสนิกชนที่เข้าไปกราบไปไหว้พระเจดีย์ให้ได้อ่านให้ได้ศึกษาอยู่ชัล่างมีทั้งภาษาไทยและก็มีภาษาอังกฤษกํากับด้วย เพราะทุกวันนี้คนทั้งหลายที่ไปกราบไปไหว้สถานที่ต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชามีทุกคนต่างชาติมีฝรั่งมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์อะไรไม่เคยขาดนะไปที่นั่นคนที่ไปกราบเกียรติของคุณแม่ เพราะนั้นเมื่อไปแล้วเขาก็จะได้รู้ไอ้ทำไมเขาถึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาใส่ผู้หญิงถ้าว่าไม่มีคติธรรมหรือว่าไม่มีประวัตเป็นภาษาอังกฤษให้เขาได้ศึกษาเขาก็คงจะตเคสในใจของเขาเหมือนกันแต่ถ้าว่าเขาได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเขาก็คงจะเข้าใจาเออบุคคลคนนี้ผู้หญิงคนนี้ม่ชีคนนี้ออท่าน ถึงจะเป็นผู้หญิงก็จริงทนกฎปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบสามารถที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารได้ในหลักของพระพุทธศาสนาเหมือนกับเจ้าแม่คนอิมอย่างนั้น่ะทุกชาติทุกภาษาก็ต้องมีการยกย่องเชิดชูอันนี้ก็เหมือนกันคุณแม่ของเราเนี่ยเลิกประเสริฐทีเดียวละ่ะเพราะท่านได้จดุของท่านเป็นเป็นพระธาตุเป็นสักขีพยาน พระนั้นจึงได้สร้างเจดีขึ้นมาในจุดนั้นแล้วก็พร้อมกันกับหลวงพ่อเองก็ได้ประชาัมพันด้วยว่าว่ากล่าวเป็นอัดเป็นเอ็มสามเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ฟังแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ประชาัมพันด้วยนะว่าถ้ามาคนไปแถบนั้นกลาบเจดีหลวงปู่ศรีที่ผาน้ำย้อย จากนั้นก็ลงไปกราบจเจดีหลวงปู่ล่าก็าอยู่ในแถวเดียวกันห่างเจดีหลวงปู่ศรีกับปู่เจ้าก้อนห่างกันประมาณสี่ห้าหกกิโลเท่าเด็จากนั้นหลบพอกราบเจดีหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อนเสร็จแล้วมากราบเจดีหลวงปู่จามที่บ้านห้วยสายเจอกกราบเจดีหลวงปู่จามเสร็จแล้วกราบเจดีคุณแม่ชีกแก้วห่างกันประมาณสามกิโลจากนั้นก็ไปกราบพระทานุนมอประมาณชั้ สี่สิบกิโลมังสรุปแล้วก็คืออยู่ในแถวแนวเดียวกันและหน้าปเดียวกันเป็นเส้นทางเกี่ยวเรื่องกันถ้าพอปีใหม่อย่างเนี้ยหรือว่าสงกรานอย่างเนี้ยตุกจีนอย่างเนี้ยเราจะไปกราบพระาธาตุพระเจดีเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลถนนตนเองหรือว่าครอบครัวของเราอย่างนี้เราไปกลับได้ถึงสี่ ถึงสี่พระเจดียอย่างนั้นอย่างพระธานุนมคุณไม่ชี้แก้วหลวงปู่จามหลวงปู่ล่าหลวงปู่ศรีห้าพระเจดีไม่ใช่สี่ดันั้ น, นท้าทายไปในถิ่นด้านก็ไปกราบไปไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างหลวงปู่จามเจดีย์ของท่านก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมากธาตุประหลาดมากอยานั้นแต่ส่วนพระธาตุพนมนั่นก็เป็น เก่าแก่ต้งแต่ประวัติศาสตรมาขนาด น, นัน้นนั้นเป็นเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ลวงปู่สีนี่ก็ไม่ใคยธรรมดาเหมือนกัน <c oughs> ควรจะไปดูแล้วนั่นเถอะถ้าวันไม่เคยเจดียรของลวงปู่สรีนี่คนเขาบางคนเขาพูดว่านะว่าทำให้เห็นเจดียรของปู่ศีจพพ่งตายแล้วนาดนั้นนะ <c oughs> โอ้ พิสดารจริงๆใหญ่ก็ใหญ่นะเข้าไปข้างในนะทีนี้เราไปกราบเจดีย์หลวงปู่เสียเสร็จแล้วก็ไปกราบเจดีย์หลวงปู่รานะไปกราบคารวะหลวงปู่า ร, า, ร, า, รากัอธิษฐานท่านเป็นพระธานุเหมือนกันนะนี่จะเป็นอาการของหลวงพ่อสมพ่อเป็นเนร น, นะ น, น้อยอยู่กับท่านเป็นเนรน้อยอายุสิบปีอยู่กับท่านมาจนถึงเป็นพระท่านเนี่ยกราบปลาท่านออกมาอยู่กับโกงหลงตานะ นั้นหลวงพ่อก็เลยได้มีเอ็มพีสามแผ่นที่สามเพราะนั้นเพะนัดด้นผู้ใดเป็นกล่องฟังเลยวันนะี้และมีภาษาภูไทยในนั้นด้วยนะเพราะคุณแม่เป็นคนภูไทยนะเป็นเผ่าภูไทยภูไทยนี่มาจากไหนกันะนี่มีหนังสือเรียบเนี้ยเขาก็เขียนประวัติไว้ข้าวๆเหมือนกันแต่แต่ฟังฟังรถอินอินกับพิธีหารด้วยเหมือนกันเทนะ่านั้นแต่ฟังหลงพ่อฟังฟังกันไม่คำอยู่เลยเอ้า ก็จริงนะ่ะคือคนผู้ไทยเขาพูดกันสมัยก่อนลวงพ่อเป็นเด็กนะเป็นเด็กเด็กๆมาเขาก็พูดต่อๆกันมาก็พูดอย่างเนี้เออคือพวกขานะพวกขานเนี่ยพวกอยู่ในปยย่ารงพงไพ่พวกนั้นนะแต่เขาก็มีอำนาจของเขานะ่ะก็ปกครองกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วผู้ไทยแซกเข้าไปเลยผู้ไทยกขาขานทะเลาะไม่รู้จะเลิกเพรานั้นขนะ่าเขาเขาว่าเขามีอำนาจเพราะกลุ่มเขาใหญ่ ผู้ไทยเนะี่ยก็แบบผู้ไทยเนะี่ยเป็นเผ่าเดิมเหมือนกับมาจากจีนนะผู้ไทยเนะี่ยเหมือนกับจีนเนะ่ยเป็นเผ่าคล้ายๆการดํารงชีพเหมือนกับชาวจีนนะสมัยก่อนคล้ายๆยกผู้ชายเป็นใหญ่แบบนั้นแต่ะ้าว่าแต่งงานนะ่ยผู้หญิงไม่ต้องไปอยู่กับผู้ชายแบบประเพณีแบบจีนแบบนั้นแที่เรผู้ไทยก็ไปอยู่กับข่าพวกข่าแต่นี่ข่าเขาแบมีอํานาจ เขาก็จะบังคับกันผลที่สุดเจ้าข่ากับเจ้าผู้ไทยเนี่ยไปเจอกันเพราะนั้นเอาอยัางไงตกลงกันยังไงผู้ที่จะเป็นใหญ่เนี่ยผู้ที่จะเป็นใหญ่ต้องเป็นใหญ่ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่ด้วยการประหัดประหารกันอย่างนี้เพราะนั้นถ้าว่าประหัดปหารกันนี่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าปัญญาแล้วใครเหนือกว่ากันแล้วก็ต้องยอมรับกัน ทำคนไทยกับขาเนีลองลองกันทำหน้าไม้เหมือนกันเอา้าไทยยิงหน้าไม้ใส่หน้าผาได้แต่ลูกหมัดลูกลูกไม้เนเสียบแผ่นหินไดน้คนนั้นเป็นผู้มีปัญญาทีนี้ก็ขาเขาก็เขาก็ทําแล้วกันเน่ยหน้าไม้ผู้ไทยก็ทำหน้าไม้มาลองกันเหมือนัันแต่ฝนยิ่งชยกบ ไปยิงใส่หน้าผาไดมันไ ป, นปนก้อนหินใหญ่หน้าผามตนที่เออพวกขานี่ก็ทําแบบขามันแข็งๆเหมือนกันเถอะถ้าจะให้ยิงป๊อกเขาไปเสียบปั๊บเหมืนอนทีนี้เขาก็ทำให้แขงพอยิงป๊อกเขไปยิงแทกเลยยิงมากเลยไมย่ยิงก็แทกแรงจระไหมก็แทกหินไม้ก็แทกหินมันจะอยู่ได้เลยใส่ป๊อกไปก็โหครับมันยู่ยี่ไปหมดวันปลายมันแต่ภูไทยเนี่ยเป็ ลอยคลิบพึ่งเนื้อเหนียวนะติดปลายลูกนาวแบบนั้นติดปลายลูกศ อ, อ, อ, อ, อนเนี่ขากับขาอ่อนๆเลยยิงจับ ไ, ไปติดหน้าผาโอ้พวกขาได้ยอมเลยยอมแพ้แบบนั้นเอยจากนั้นมาก็เลยเ อ, อเรียกผู้ไทยให้เป็นเจ้านายอย่างนั้นเ<ม> <laughs> ลยหลวงพ่อเจะยิ้มแต่พึงพ่อกันนะคำคำ อาจจะเราไม่สามารถเอาอาจจะพูดเข้าข้าวเก็ได้เพรานั่นแต่เนี่ยอยู่ในหนังสือเมนี้ประวัติเผาภูไทนี่แหละนะแตจากนั้นความเป็นมาเผาภูไทเนี่ยมาจากโน้นะจากเมืองบกเมืองวังเมืองวังอ่างคําอยู่แถวสวนนัเขตนะในระหว่างยวนกับเปล่ามาจากทิศนั้นะเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะคนในทิศนั้น แล้วก็ภูไทยนี่คือหลวงปู่ฟัด อ, อำเพ่ออพำเภอบรรนานิคมเป็นภูไทยเลนุนครเนี่ย ท, ทั้งหมดเลยนุนครเป็นเนผ่าภูไทยแล้วะคำชัยอคุณฑีชีแก้มภูไทยแล้วก็กุชิตนาลายเนี่ยพวกนี้ก็เป็นภูไทยเป็นเป็นกลุ่มผงดีว่านั้นแหละเนี่ยที่จบเลิกก็คืออบพยศมาตั้งแต่ฝั่งลาวตั้งแต่พันเลิศล้ารัชกาลที่สอง อบพยกมาแต่สมัยรัชกาลที่สองที่อบรมมาจับฝังมาเลยมาตั้งลกลาบอยู่เนี่ยนะคุณแม่นี่คือปู่หนึ่งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเนะี่ยท่านก็เที่ยวสมัยท่านออกทุดงด้วยมากเผาผ่าภูไทยมีจะชอบอยู่ตามละแวกเขาละแวกที่ลุ่มป่าดงพงไทยปนระมาณนั้นก็ด้านหลวงปู่ฟันปู่มั่นหลวงปูเ่เสาท่านก็มาเที่ยวเนี่ยนะมาเที่ยวทุง่ง แตจะว่าไปแล้วผู้ไทยเนี่ยเป็นเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนจริงจังพอสมควรนะเนี่ยถ้าทําก็ทำทำอะไรทําก็ไม่เอาไม่เอาโดยมากสมัยนั้นผู้ไทยเนี่ยเป็นคนชอบถือผีว่านั้นเลยเลี้ผีเนี่ยเป็นเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเวลาจะออกจากบ้านต้องพูดผีซะก่อนนะเอต้องพูดมุมพอมุมพอมุมพอมุมเออเวลากลับมาก็ต้องมาเล่า มาขอบผีซะก่อนเพราะงั้นปู่ข้ามาแล้วนะเรามาแล้วนะเนยต้องบอกผีซะก่อนเพางั้นเนี่ตอนนี้หลวงปู่มั่นท่านมาท่านอะไรสอนสอนให้ยึดพระไตสรสารณาคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเพราะผีนั้นถึงอย่างไงอย่างไรถึงจะเป็นผีตัวใหญ่ตัวเล็กมีอำนาจปาฏิหาริย์อย่างไงไม่เก็มีกิเลสผียังมีกิเลสวิญญาณที่มีกิเลสมีราคาโทสะโมหะ ถ้าผีพอใจก็ให้สิ่งที่พอใจถ้าผีไม่พอใจเนี่ อ, อมันก็ออกไปทําคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสถึงอย่างไรท่ามีเมตตาอยู่ตลอดเพราะนั้นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสาร ะ, ระเป็นที่พึ่งท่านก็มาสอนโอ ก, กว่าที่เขาจะยอมรับได้กับนานพอสมควรเหมือนกันจากนั้นพอยอมรับได้กนะ็ยอมรับมาตลอดเลย เ, ออเพราะนั้นอย่าง ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของหลวงพ่อเนี่ยกันนับถือหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาแบบเป็นชีวิตคิดใจจริงๆเพราะนั้นอย่างหลวงปูจ่จามนี่ยกันในคำว่าเป็นบวชกับหล้งเป็นเนนกับหลวงปู่มั่นสมัยเป็นเณรนะั่นแหะอันนี้ก็คือกูบายการหลวงปู่หลวงตาก็ไปในถี่นั้นอย่างบ้านห้วยสายโอ้กูบายการพระเทร่าผู้ใหญ่ไปสร้างวัดหนองน่อง วัดหนองน่องเลยเรนนี่เขายึดคนละแถวบ้านเขาทำนะั่นวัดหนองน่องเป็นวัดไข่เนี่ยเป็นวัดของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วเน่ยเป็นเป็นเด็กสาวเออไปฐานป่าจุดนั้นไว้หางจากบ้าน น, นนะไปฐานป่าเป็นไม้ยก่อนไม่มีที่ของใครหรอกใครจะเอาที่ไหนก็เอาได้เรนนี่กับท่านก็ไปฐานฐาามเพื่อจะปลูกเนี่ยปลูกครามเอ่อต้นครามเนี่ยเปต้นไม้เป็นปัจพุบัต้นหนึ่ง พอโตขึ้นมาเขาจะมาตัดแล้วก็มาม้วนแล้วมาแช่แช่แล้วก็มาให้มันเป็นน้ําออกมาทํามาย้อมเสื้อผ้าดำเลเนี่ยเสื้อผ้าดำดำเลยมาย้อมครามทั้นั้นอ่ะอันนี้คุณแม่กับท่านทําอย่างนั้นสำหรับคลามจากภูไทยเลยหรือว่า <c oughs> ใส่ชุดดําำนะไทยดำไทยําเนี่ยงจากที่ว่าภูไทยดาไทยดาเนยที่เมืองเราวในที่สมัยนั้นไอ้พวกไม่เหล่านั้นแต่พวกภูไทยนะ่ยเนี่นั้นคุณแม่ก็ถามนถานเสร็จลงปูมันท่านก็ ไปเรียบล้อหาสถานที่ไปก็ไปเห็นจุดเนี่ยคดลงปู่ท่านก็ชอบใจเพราะมันเป็นที่ลงที่นั้นที่ว่าง อ, อบอกว่าท่านเอ้ยเนี่ยจุดนี้เป็นที่ของใครอออนนเน้าเจ้าเป็นเด็กของหนูเองลวงปู่เออดังนั้นเราจะเอาจุดนั้ น, นมันได้ถวายเลยเราจะถวายหลวงปู่เออเป็นปฐมฤกเลยเวันนั้นเถิดนี่นแหละที่วัดหลวงน้องนี่นะ ตามประวัติเป็นมาเลยนะจากนั้นลวงปู่ประจําบรรษาหลวงปู่ฟันประจำบรรษาที่นั่ครูบาอาจารย์ประจำบรรษาที่นั่ น, าา น, น, น, นหลายหลายชุดเลยนะแต่พอต่อมาขาดครูบาอาจารย์เขา้าไปเลยยึดเป็นไร่เป็นสวนหมดปีนี้หลวงเนี่ยลพวกพาเข้าก็เลยอยากจะเลื้อฟื้นคืนอีกเขามาหาหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเออถ้าเลื้อฟื้นคืนแล้วใครจะไปอยู่แล้่ะปะทํามีคนไปอยู่กับหลวงพ่อหมามว่าเดี๋ยๆจะช่วยๆกันนี่รับ ปลกวัดให้วัดคือนนะโอ้หลวงพ่อได้พูดเล่เาให้ฟังยืดยาวเกี่ยวกับเนี่ยะะแจกหนังสือประวัติของคุณแม่นะพวกเราได้อ่านขอาไปแล้วใครไปอ่านถ้าไปศึกษาดูเนะิ่วพ่อว่ามีประโยชน์นะหนังสือจะมีคติธรรมมีคติธรรมหลายๆแนวความคิดอยู่ในนี้ถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วก็จะเกิดประโยชน์ โพรภพเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังก่อนที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยได้ยินได้ฟังคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดปัญญาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงพูดุดตรามายาปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังก็คือการศึกษานะตั้งแต่ปรถมมัธยมตั้งแต่กอไก่ขอไข่เป็นลำดับขึ้นมาระดับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆ เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องอาศัยการได้ยินใน้ฟังเหมือนกันถ้าว่าคนที่ปิดหูปิดตาตัวเองเอผลที่สุดก็เชื่อตัวเองเพราะเชื่อตัวเองเข้าหมูไม่ได้ะเพราะตัวเองเก่งของเขาเตาสามไม่เกิงพอคนอื่นเห็นรับไม่ได้ว่านั่นแต่เพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่ได้เชื่อหมหาหมูไม่ได้ฟังความคิดเห็นของหมูเขา ตามมาเินการอยู่ร่วมกันเราจะไปเก่งคนเดียวไม่ได้ในเมื่อเราเก่งคนเดียวเราไปอยู่หลังเขาคนเดียวไม่ต้องเข้าหมูในเมื่อเราจะเข้าหมู่ก็ต้องฟังคําของหมูจากนั้นก่อนเอาเหตุผลมาว่ากันนะฟังเหตุฟังผลโดยอกว่ากันเพราะนั้นหลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าเน่ยคือหลักเหตุผลไม่ใช่อื่นกายในหลักทำคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเตะทางนั้นถีพางนั้น ผมคนนั้นผมคนไม่ใช่ไม่ใช่ทำถ้าทําแล้วคือความถูกต้องใครทําผิดก็ว่าทำผิ ด, าาผดถ้าใครทําถูกก็ว่าถูกเพราะนั้นหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระอาหนตคือหลักเหตุผลศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมศีลจิตธรรมจริยธรรมอย่างหลวพออธิบายศีลห้ามอย่างคือนะการไม่ฆ่ากันไปยังไงใช่ตัวเองไปฆ่าเขาผมพ่าเลาะได้เล เพื่อเขามาฆ่าเราหรอกแล้วเราของเราไม่ออกเหมือนกันเพราะฉนั้นการไม่ฆ่ากันดีไหมเนี่ยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมเป็นกลางอย่างนั้นะเพราะฉะนั้นตวันรับธรรมคาสังสอนนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นหลักเหตุผลที่อยู่ร่วมกันอตอนนี้ไปรับพรนะตอนนีน้นะอนุโมทนาให้พร